ฟูมไฟล์เรียกร้องจัดเป็นหนึ่งในสิ่งเสียพติดให้โทษเมื่อเสพอารมณ์และอาการประเภทนี้บ่อยเข้าในที่สุดจะกลายเป็นคนเห็นใจตัวเองเกินมนุษย์แล้วเห็นใจคนอื่นน้อยลงปราวกับเขาไม่มีหัวใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองก็จะหาแพะมารับผิดชอบตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่น ก็จะเหมือนเฉอเย็นชาอย่างหน้าไม่อายทางเดียวที่จะเลิกเสพติดอารมณ์เรียกร้องตลอดจนไม่ตามใจตัวเองจนปล่อยให้เกิดอาการฟูมฟายเรียกร้องผิดมนุษย์มนาก็ต้องหันไปติดใจอารมณ์และอาการที่เป็นตรงกันข้ามเช่นคิดเป็นที่พึ่งของตนเองมากกว่าอยากพึ่งคนอื่นคิดช่วยเหลือมากกว่ารอความช่วยเหลือ คิดเผื่อแผ่ความปกคุ่นมากกว่าเรียกหาความปกคุ่นคิดให้คำปรึกษามากกว่าขอคำปรึกษาเริ่มต้นอาจยากเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อแข้งขาแข็งขึ้นกำลังใจมากขึ้นหอใจกับความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเมื่อนั้นเรื่องเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วคุณจะเป็นที่พึ่งให้กับตนเอง ซึ่งนับเป็นที่พึ่งอันไกลหาได้ยากภาพประกอบผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าฉันถูกแก่จิดฉันฉลาดแก่โง่ฉันต้องได้มาแก่ต้องให้ไปอีกป่ายจึงพูดว่าเอาความคิดมาพูดทั้งดุ้นไม่ต้องอายกันเลยเนาะ ผู้แรกของความท้อใจยังไม่มีอะไรสายเกินแก้เพราะคุณอาจยังรู้สึกว่าอยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายได้ไม่ออกนอกทางไปไหนจะถ้ายอมจมอยู่กับความท้อใจเกินหนึ่งวันคุณจะเริ่มหาทางไปไม่ถูกหรือหาวิธีกลับเข้าทางไม่เจอเพราะจุดหมายเริ่มเลือนรางไปจากใจเหลือแต่ม่านหมอกบังใจ ให้รู้สึกหลงทางหลังเกิดวูบของความท้อใจคุณมีเวลาไม่เกินหนึ่งวันตั้งโจทย์ใหม่ให้ทันก่อนหลงทิศถามตัวเองว่าจะเอาอะไรกำลังเดินทางไปไหนมีอะไรต้องทำแต่ยังไม่ทำมีทางเลือกใดให้มองแต่ยังไม่มองถ้าพยายามคิดถึงวิธีทำอะไรให้ดีขึ้นแนวโน้มคือทุกอย่าง จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้ายอมจมอยู่กับความคิดว่าแย่แก้ไม่ได้แนวโน้มคือทุกอย่างจะแย่ลงกว่าเดิมทันทีภาพประกอบคำถามว่าน่าอย่างฉันมันจะไปทำอะไรสำเร็จตอบว่าคิดขวางทางตัวเองสำเร็จไงเก่งเลย บางคนใช้อารมณ์ในที่ทำงานและใช้อารมณ์ที่บ้านเท่ากับทำที่อยู่ของชีวิตให้มืดหมนลงทั้งหมดทุกแห่งออกจากบ้านไปสู่ความมืดและกลับมาสู่ความมืดที่บ้านบางคนใช้เหตุผลในที่ทำงานแต่ใช้อารมณ์ที่บ้านเท่ากับเดินเข้าที่ทำงานแล้วกลายเป็นคนฉลาดแต่กลับบ้านเมื่อไหร่แหลงร่างเป็นคนโง่ทันที บางคนใช้อารมณ์ในที่ทำงานแต่ใช้เหตุผลที่บ้านเท่ากับเกาะความวุ่นวายให้สังคมส่วนรวมแต่มาสร้างความสงบให้โลกส่วนตัวบางคนใช้เหตุผลในที่ทำงานและใช้เหตุผลที่บ้านเท่ากับมีตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างออกจากบ้านไปขับไล่ความมืดและกลับมาขจัดความมืดที่บ้าน ภาพประกอบมีคำถามว่าตลาดอย่างเราเนี่ยทำไมรู้สึกโง่อยู่ลึกๆนะตอบว่าก็ฉลาดเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองพังยังไงก็สรุปว่าโง่นั่นแหละ